ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายประสูทธ์ในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องดุดด ด, ด, ดชาดกประชาดกว่าด้วยการให้สิ่งที่ให้ได้ยากและทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากมีข้อความมันเป็นตอนต้นโดยสรุปว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่ประเชศต ว, วันมี พ่อค้าสองคนพี่น้องได้พร้อมเพียงกันรัตนาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปฉันไปสเสวยในฉันไหนในเพศของตนเป็นเวลาติดต่อกันมาถึงเจ็ดปันพ่อค้าคนที่เป็นพี่ก็ได้เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าการกระทําของพวกเขาทั้งหมดที่ ได้กระทำมาเป็นเวลาถึงเจวันนั้นจะมีผลเป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าการกระทำของพวกท่านนั้นเป็นการกระทำที่ควรแก่การชื่นชมยินดีเพราะว่าได้กระทำสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้โดยยากได้ให้สิ่งที่บุคคลอื่นให้ได้โดยยาก ในประการหนึ่งเป็นการกระทำตามแบบแผนของโบราณับัณฑิตที่ท่านได้เคยทำมาแล้วพราะแม้บัณฑิตในอดีตก็ได้ทำเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งสองได้กระทำแล้วจากนั้นก็ได้รับสั่งเล่าเรื่องที่เป็นอดีตที่เราเรียกว่าชาดกว่าในอดีตการนานม า, มาแล้วพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในสกุลพราหมณ์ เมื่อเจริญวัยก็เบื่อหน่ายในชีวิตการครองเรือนจึงได้สละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุรูปฌานก็มีลูกศิต์ลูกหาที่เป็นบริษัทบริวารอยู่มากแต้ท่านก็อยู่ป่าตามปกติก็ขาดอาหารประเภทที่มีรสเข็ม ในบางช่วงบางโอกาสก็ต้องเข้ามาในเมืองเพื่อฉันอาหารที่มีรสเข็มเมื่อได้เข้ามาในเมืองนั้นก็มีเศรษฐีในเมืองนั้นต่นอุปถากต์ความรุงท่านแล้วท่านก็อนุโมทนาโดยคาถาซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปว่าท่านเหล่านั้นได้ให้สิ่งที่บุคคลอื่นให้โดยยากได้กระทำ สิ่งที่บุคคลอื่นทำได้โดยยากและการกระทำนั้นก็เป็นการกระทำของสัตว์ปรุษเพราะว่าสัตว์ุระษย่อมทาสิ่งที่บุคคลย่อมให้สิ่งที่บุคคลอื่นให้โดยยากทำสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้โดยยากในขณะที่สัตว์ปรุษทํทำไม่ได้ดันั้นสัตว์ปรุษกับสัตว์รุษจึงแตกต่างกัน สัตบุตรย่อมนำไปสู่สุคติแต่อสัตบุรุษย่อมนำไปสู่ทุกคติแล้วก็ทรงสรุปพระธรรมเทศนาในตอนนั้นว่าตาบทผู้เป็นหัวหน้าก็ได้มาเกิดเป็นพระองค์ตาบด ท, ที่เป็นบริวารก็ได้มาเกิดเป็นพุทธบริษัทแล้วก็เศรษฐีในคราวนั้นก็ได้มาปังเกิดเป็นท่านทั้งสองในคราวนี้ ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็ที่เน้นหนักจริงๆก็อยู่ที่ตัวคาถาซึ่งเราได้นำมาเป็นบทสวดสาธยายกันในบทเรียกว่าธรรมคารวะคือการแสดงความเคารพนบนอบต่อพระธรรมและในขณะเดียวกันก็สะท้อนภาพทางสังคมเช่นเดียวกับชาดกอื่นๆ คือสังคมในสมัยพุทธกาลกับสังคมในอดีตหรือก่อนพุทธกาลเระการกระทําของพ่อค้าทั้งสองนั้นแท้ที่จริงแล้วก็สําหรับหมู่พุทธบริษัทจะมีศรัทธาเรื่อมายในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ตอนก็พยายามกระทํากันแต่ว่าการที่นําพระไปเลี้ยงพระตั้งเจ็ดวันนั้นไม่ใช่เรื่องสนุก แต่ท่านเหล่านั้นท่านก็ทำได้พระพุทเจ้าทรงแสดงว่าเป็นการให้สิ่งที่บุคคลอื่นให้โดยยากและทำสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้โดยเจ้าแต่ถ้าเรามองถึงว่าการเลี้ยงพระในสมัยก่อนตามคำภีหลักฐานที่ปรากฏนั้นก็ดูไม่ค่อยมีพิธีรีอตองอะไรเท่าไหร่คือจะมีอาหารเป็นภาชนะใหญ่ พระท่านก็นั่งเรียงเป็นแถวชันในบาทชาวบ้านก็นำอาหารไปใส่บาทพระท่านก็มองดูว่าท่านจะชันอิ่มหรือเปล่าหรือพอแล้วหรือยังพอพอท่านจะปิดบาทพระเองก็ต้องมองอยู่ที่บาทคือต้องต้องประมาณการดูว่าที่ก็ตักมาเนี่ยท่านฉันอิ่มพอสบายหรือเปล่า อีกประการหนึ่งก็เป็นหลักของการพินิจพิจารณาในเวลารับบาตรและป้องกันไม่ให้พระไปมองหน้าชาวบ้านด้ยดังนั้นการเลี้ยงพระในลักษณะนี้พระเองก็ฉันหมดต้องฉันหมดบาทเพราะมีวินัยกําหนดเอาไว้ว่าห้ามภิกษุเทน้ำล้างบาทที่มีเมล็ดข้าวลงในบ้านก็หมายความว่าฉันหมดบาท ไปการฉันอย่างประหยัดจริงๆส่วนชาวบ้านเองก็ตักบาตรอย่างประหยัดเหมือนกันแล้วของที่ถวายไปนั้นก็สําเร็จประโยชน์ถ้าเหลือก็คือเหลือซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านอีกต่อไปแต่พอมาถึงบ้านเรามันก็โครงทราบมันก็เปลี่ยนไปที่จริงอินเดียยังเหมือนเดิมนะฮะมาไปอยู่อินเดียเนี่ยก็เคยไปแขกเคยนิมนต์ไปฉันสนุกดีเหมืนกัแต่ตอนนั้นเราก็ไม่แดวบาตรไป เขาเอาใบไมใ้ใหญ่ๆมากัดของล้างสะอาดนะสะอาดไม่สะอาดไม่รู้ว่าไมเด้ดถามก็เอาวางใบไม้ไปข้างหน้าแล้วเขาก็ถืออาหารเดินไปแถวแล้วเขาก็หยิบใส่เอาไปเห็นตำรวจเราก็หยุดแล้วก็ยกมือห้ามเขาก็าก็เดินผ่านแล้วก็ฉันจนหมดอันเสร็จแล้วพอฉันเสร็จแล้ว เขาก็เก็บใบไม้นี่ไปเผาเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเป็นการเลี้ยงอย่างสบายๆคือดูแลก็คล้ายๆจะเป็นงานใหญ่อย่างสมัยที่บ้านนานาบินธิกะเศรษฐีท่านเลี้ยงวันหะสอง0 0 0รูปเราดูแล้น่ากลัวเลยเกินแต่ถ้ามองวิธีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากมายนักสำหรับท่านที่เป็นเศรษฐีแต่พอมาถึงเมืองไทยเราก็อย่างที่พบที่เห็นกันว่า แล้เราไม่ค่อยยอมแนวการประนีประนอมทางความคิดที่จะปฏิบัติให้มันยุติโดยหลักโดยเหตุด้วยผลเนี่ยเราไม่ค่อยยอมกันยังต่างๆจงังหวัดก็ต้องแข่งกันใครทำอาหารมาดีกว่ามาประกวดประคันอาหารกันอีกใครทำมามากก็ต่างคนต่างก็พยายามจะให้มากเพื่อแสดงความเหนือกว่าคนอื่นกอเราไม่ได้ทาบุญอย่างเดียวแต่เราเบ่งด้วยเยต้องการแสดงสถานะด้วย แต่บางทีก็มาพูดกระทบกระเทียบกันด้วยนะในที่บางแห่งไปชีมาหารของคนอื่นแล้วก็พูดไปในทํานองที่คล้ายๆกับว่าของตัวเองอร่อยดีกว่าของเขาอะไรเนี่ยงั้นในการการเลี้ยงในบ้านมันเราจึงมากเกินความจําเป็นเรากระเททิ้งไปเยอะอย่างบางครั้งบางคราวฉันงานวัดเนี่ยเคยพยายามขอร้องต่างจังหวัดว่าถ้าจะเอากันมารอบวัดอย่างนี้มันไม่ไหวหรอกมันสิ้นเปลืองเยอะ ก็เป็นเงินมากแ็แล้วกันแล้วมาลงรวมกันมาทํากับอาหารด้วยกันก็ไม่เอาเพราะไม่ได้แสดงฝีมือแสดงความเหนือกว่าบุคคลอื่นนี่ก็เป็นปัญหาที่ออกจา ก, กยุดเยอะแล้วก็แก้ไขไม่ได้แล้วแม้แต่เวลานี้เมื่อวานเนี่ยก็มีคนก็โทรมาถามว่าพระไอตักบาตอาหารแห้งนี่ได้ไหมเพราะถ้าตักจริงๆมาตักไม่ได้นะ ถ้าตากน้าตากได้แต่ว่าพระเอาไปฉันไม่ได้ เ, ออเราก็มีจุดกลางในการประนีประนอมกันแล้วก็ทำได้นะเพราะในในสมัยพุทธกาลเองมันก็มีเรือนก็มีเรือนเก็บอาหารแห้งบางครั้งบางคราวก็อินเดียนะนึกถึงอินเดียก็แล้วกันนะแล้วต้องชาวบ้านก็นาอาหารแห้งไปถวายไว้แก่ผู้มีหน้าที่รักษารักษาเรือนครัง ถึงคราวก็นําอาหารนั้นไปถวายพระเป็นการแบ่งออกไปถวายซึงพระเองก็ไม่ได้รับไม่ได้รับตรงๆแต่ก็รับแบบถวายคือไม่ได้ไปรับประเคนเพราะของนี่เราแบ่งเป็นสี่ชนิดนะฮะกระยมรู้ไว้ก็ดีแต่ของนี่มีอยู่สี่ชนิดชนิดหนึ่งก็เรียกว่ายาวกาลิกพวกอาหารพวกกับข้าวพวกขนมนี่ฮะก็เรียกยาวกาลิกคือถ้ารับประเคนพระแล้วจะฉันได้เช้าชั่วเที่ยง หลังจากนั้นกเ็เป็นเรื่องของเด็กของชาวบ้านไปอานประเภทหนึ่งเราเรียกว่ายามะกาลิกยาวะกะยามะนะฮะยามะกาลิกในยามนั่นเองยามคือเวล า, าพวกน้ำดื่มพวกเครื่องดื่มพวกน้ำส้มคันพวกเปปซี่โคลาอะไรตัวไหนฮะถ้าพระรับประเคนแล้วก็ฉันได้เฉพาะวันนั้นถึงแม้จะเป็นของที่เก็บไปได้ก็ตามแต่นั้น วิธีที่เราใช้ก็คือรับประเค้นทีละขวดก็ฉันกันทีละขวดเพราะถ้ารับประเค้นหมดทั้งลังเนี่ยมันก็ฉันได้ขวดเดียวแต่นั้นไม่ใช่ชันได้ขวดเดียวนะฮะคือท่านจะฉันหมดทั้งลังก็ได้แต่ต้องฉันวันนั้นมันไม่ได้ว่าอะไรนะฮะจะแสดงฝีมือฉันหมดทั้งลงังก็ไม่ว่าแต่พอถึงเลยวันนั้นแล้วฉันไม่ได้ทีนี้อาหารอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสัตตะากาลิกสัตตะก็คือเจดนะฮะแต่เวลากาลิกก็คือการเนี่ยการันจะอยู่ได้เจ็วัน พวกอะไรพวกน้ำพึ่งพวกเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยพวกเพสัตถ์้านะฮะแล้วพวกอยู่ในกลุ่มนี้ก็มีอยู่ห้าอย่างเรียกเพสัตถ์เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยห้าอย่างติงกับน้ำตาลน้ำอะไรมันก็อยู่สายนี้แหละฮะพวกนี้จะถ้าถ้ารับประเคนแล้วก็ฉันได้เจ็ดปันเราะั้นอย่างชาวบ้านประเคนน้ำพึ่งมันที่มันขวดใหญ่มันฉันไม่ไหวเจ็ดปั่นป้าก็ไม่รับอะคือให้ เก็บไว้แล้วก็เด็กแบ่งมาฉันทัดถ้าอย่างนี้เราก็รับประเันเฉพาะที่แบ่งยังไง จ, จะฉันได้เป็นเดือนก็ได้ก็ไม่รบกวนอะไรนะฮะของไม่ได้เสียอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ายาวชีวิตอันนี้ฉันได้ตลอดชีวิตเช่นพวกยาพวกยาพวกเครื่องสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยรับประเันไว้ก็ฉันได้ตลอดตลอดตลอดชีวิตของสิ่งนั้นนะฮะไม่ใช่ตลอดชีวิตของเราชีวิตของเราก็ของมันก็หมดไปก่อน แต่ทีนี้ในการปฏิบัติมันยังมีของเหล่านี้มันปนกันอีกซึ่งเป็นเงื่อนไขาทางวินัยสมมติว่าเกลือนี่ฮะถ้าลําพังของเขาแล้วก็เป็นยาวชีวิตเลยกินได้ตลอดอายุเกลือแต่ถ้าเอาเกลือมาใส่แกงมันก็ฉันได้ชาวเชื้อเที่ยงแต่นั้นเองเอาเกลือมาใส่น้ําส้มข้นมันก็ฉันได้เชาวพะวันนั้นท่านั้นเองเอาเกลือมาปนกับน้ําตาลฮะมันก็ฉันได้เจ็ดวันแต่นั้นเองคือถ้าเอาของมีอายุมากมาปนกับอายุน้อยของจะอาหารนั้นจะมีอายุน้อยลง ตามของที่เรามาปนนี่ก็คือคือการปฏิบัติเพราะงะั้นตรงนี้เราก็มีจุดกลางได้นะที่จริงอ่ะชาวเขาเรียกว่าโลกก็ไม่ช้ํำทำก็ไม่เสียชาวบ้านก็ถวายไปก็นัดหมายกันว่าตักบาตอาหารแห้งพระแก่ก็เด็กมาเอาใส่ถุงมานะเวลาอาหารเวลากับข้าวข้าวอะไรเนี่ยฮะก็ใส่บาตพระแล้วของแห้งก็ใส่ถุงให้เด็กเอาไปทิ้วไปวัดนี่คือคื อ, คอโลกไม่ช้ํำทำไม่เสีย วินัยก็รักษาไว้ได้ชาวบ้านรักษาตาชาชาวบ้านมาได้แล้ววัตถุประสงค์ของชาวบ้านมันเกิดตามที่ตัวต้องการได้แต่เราก็ไม่ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่พยายามประนีประนอมอะไรเลยชาวบ้านก็ชักชวนในวันที่เจ็ก็ชักชวนตักของแห้งกันเองซึ่งก็ดีนะแต่ต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดผลตามหลักของพระพุทธเจ้าด้วยจะช่วยช่วยรักษาวินัยของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยแล้วก็ช่วยรักษาจารีตแบบแผนไว้ด้วยนี่คือการประนีประนอม ท่านกกดุมพีทั้งสองนั้นได้ถวายทานซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าสมับอสัตย์บุรุษนะคือสมับคนไม่ดีนี่ก็ทำได้ยากเป็นการให้สิ่งที่ให้ได้ยากเพราะตามปกติการให้ทานกับการรบก็บอกว่าเสมอกันนะฮะนิยมต้องวิเคราะห์ใจดูว่าจริงหรือปา ต้องถามใจดูตัวเองดูว่าเคยเจอไหมไอ้ที่ว่าตัดสินใจจะทําบุญสักร้อยเนี่ยล้วงลงไปในกระเป๋าแล้ว ย, ยกมือออกะนยกมือออกบาตทีก็ต่อรองต่อรองเหลือสิบบาทไส10 บ, บาทก็ไม่ไดียังอีกหลายวันจะสิ้นเดือนค่อยเอาวันหลังดีกว่าไอ้โยมจะเห็นว่ามันนั่นคือการต่อสู้นะฮะต่อสู้กันอย่างแรงระหว่างไอ้ชาคชาเจตนากับเจรจิตคือความจะหนีความหวงกับความเสียสละเนี่ยมันต่อสู้กัน ไปในจิตเราเนี่ยเป็นสงครามใหญ่มากเลยฮะแม้แต่บางทีลุกขึ้นตั้งใจว่าเออปีใหม่ในจะลุกขึ้นทําบุญตักบาทหน่อยทีไม่ลุกขึ้นน่ะอาจจะเป็นเรื่องอื่นอาจจะอยากนอนต่ออะไรแต่ไรเนี่ยแต่สแสดงว่า เ, ออเราพ่ายแพ้กุศลและเจตนาเวลาเกิดขึ้นนั้นให้ลองสังเกตว่ามีเยอะที่เราทําไม่ได้ถูกกิเลสตีตกตกเขวหมดเลยความดีพอโผล่ขึ้นมาจะทําในกิเลสมันตีตกหมดก็ทําไม่ได้นะฮะ เราสังเกตแต่ละวันนี่เยอะที่กุศลเจตนาเกิดจะทําจะทําไม่ได้เลยไม่ว่าใครก็ตามเลยฮะตราบใดที่ยังต่อสู้กันอยู่ภายในจิตนั้นทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่หมดเลยแม้แต่การให้ทานท่านบอกว่าการให้ทานกับการสงครามการยุทธเนี่ยเสมอกันตัวการยุทธเป็นเรื่องของการเสียสละที่มีจิตใจเด็ดเดียวไม่ทอ้อถอยไม่หวาดวันรุกก้าวหน้าไปนะฮะรุกก้าวหน้าไปไม่ใช่พอเพื่อนยิงปืนป้องเดียวก็วิ่งหนี คือต้องลุกก้าวหน้าไปตลอดอาจารย์ค่าเจตนาก็เจตนาที่จะให้ถามก็มีลักษณะอย่างนั้นคนเป็นจำนวนน้อยต่นั้นเองที่ทำได้พระเจ้าจึงรับสั่งว่าให้ให้สิ่งที่ให้ได้โดยยากให้เราลองสังเกตนะฮะว่าในในในกรุงเทพเองนี่อาตมาเองก็เที่ยวพูดในสนามกรุงเทพมาตั้งแต่ปศศูนย์ไม่ไม่เช็นน้อยเลย แล้วเจอคนหน้าซ้ำซๆำนะฮะไปที่ไหนก็หน้าซ้ำซ้อยู่เยอะเลยแล้วคนคุ้นหน้านี่มีเยอะแสดงว่ากลุ่มฟังพ ร, รมเนี่ยมันมีอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มใหญ่พอสมควรดัานนั้นเองฮะแต่ถ้าเฉลียเอ่อลองคิดระหว่างกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเนีย่มีมากกว่าพวกกลุ่มที่ไม่เคยโผล่เข้าไปในกิจการที่เกี่ยวกับธรรมะเลยเนี่ยมีมากกว่าว น, นเออเรามองมาถึงจุดนี้ก็มาเทียบเคียงว่า ระหว่างบุคคลสองกลุ่มในเราอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มที่ให้สิ่งที่ให้ได้ยากหรือว่ากลุ่มที่ไม่ได้ให้สิ่งที่เขาให้ได้ยากแล้จะเกิดความภาคภูมิใจว่าเราเกิดมาอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มของสัตว์ปรุษคือได้ให้สิ่งที่ให้ได้โดยยากแล้วก็กระทำสิ่งที่กระทาได้โดยยากอาลองมองดูถึงว่าทุกเรื่องนะฮะ ทุกเรื่องถ้าเกี่ยกับไอระหว่างความดีกับความชัว่วเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรละแม้แต่ว่าไปเทศต่างจังหวัดนะพระกำลังเทศอยู่ต่างจังหวัดนะฮะพอลิเกมาเนี่ยมันลงไปตั้งครึ่งการประเรียนเลยลงไปดูลิเกทั้งตที่ลิเก ย, ยังไม่แสดงฮนะลงไปดูนางเอกพระเอกเอาไว้เพราะเพราะว่าไอกระแสะโลกนี่มันแรงมากมันจะดูดคนไป งานบางอย่างจึงเป็นงานที่ไม่ได้ประโยชน์เช่จนสมุติว่ามีงานฝังลูกนิมิตและมีการเทศด้วยในรับรองเลยฮะกรเตรียนเทศได้สองฝังนะได้ถ้าคนฟังไม่มีทางเพราะคนจะไปอยู่หน้าโรงลิเกโรงอะไรดนตรีลูกทุ่งหน้าจอหนังไม่หมดเลยเพราะกระแสะการดึงดูดของโลกแรงแลวมันไหลได้ง่ายนะะในการ ไปประิปฏิบัติความดีนะั้นเป็นการทวนกระแสะและคล้ายๆการ น, นาน้ําขึ้นสู่ที่สูงก็นําได้ยากแต่นําไปแล้วก็ได้ประโยชน์นะฮะเพื่อรวบรวมเกลือนระบบอะไรต่อไรเนี่ยในข้อนี้เรานํามาต่อกันนำาสวดกันในธรรมคารวะที่เรียกว่าดุจดังไดรมานาังดุกระังกรร ม, มกุปต ะ, ะังอสั้นโตนานุกุปันติสตงังธรมโมดุรันประโยชนคือหมายความว่าสัตว์บุรุษทวยเจา้าสรุปรวมว่าเป็นคนสองกลุ่ม ต่ความยากความง่ายเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าพระเจ้าทรงสรแสดงธรรมะบางทีเนี่ยไม่ได้พูดถึงตัวธรรมะว่ามันยากมันง่ายเพราะธรรมะที่เป็น ก, นกลางอะปัญหาว่าใครทำเพราะความดีคนดีทำง่ายแต่คนชั่วทำยากแต่ถ้ามองกลับไปที่ความชั่วคนชั่วกลับทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากเพราะงั้นมันไม่ได้อยู่ที่ที่สิ่งนั้นแต่มันอยู่ที่ใครทา อยู่ที่ใครทำคล้ายๆเครื่องยนต์กลไกเครื่องไฟฟ้าะอะไรต่ออะไรนี่ฮะจะยากหรือง่ายก็ขึ้นอยู่กับใครไปทําถ้าเกิดไปเจอนายช่างผู้จํานิชำนาญเนี่ยเขาก็สบายสบายะจับสบายแต่ถ้าเราไม่มีความชานีิชานาญเราก็กลายเป็นเรื่องยากเพราะงั้นการทําความดีก็มีลักษณะอย่างนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องยากหรือง่ายแต่ปัญหาว่าใครจะต้องทําสิ่งนั้นถ้าหากว่าคนทําเป็นอาสัตว์บุรุษ การทำความดีก็กลายเป็นเรื่องยากแต่การทำความชั่วกับง่ายนะฮะสมัครคนตอนนี้บางทีดีดดๆเเผลอมองหน้ากันหน่อยเดียวไม่ชอบใจประโยชน์ระเบิดใส่ได้จบาดระบา ย, บายคนเดียวนี้จริงแล้วใหญ่เลยแต่สมับคนดีแล้วเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนะั้นแม้แต่จะด่าใครสักคำเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นยากเย็นแสนเข็นเหลืเกินแต่าหากว่าไม่รุนแรงจริงๆแล้วในยอย่างที่เคยเล่าว่าสมเด็จสังราชเจ้า อาจพิษนะฮะเรื่องที่รุนแรงสาหัสสากันเนี่ยท่านรับสั่งได้ประโยคนเดียวประเดี๋ยวฉันโกรธนะคือแสดงว่าเรื่องนี้มันใหญ่เป็นภูเขาลอกาแล้วรับสั่งเท่านั้นนะฮะรับสั่งเท่านั้นเองคนที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระองค์ท่านมาไม่เคยเห็นพระพักสยิวเลยไม่เคยเห็นอะไรถ้าเรื่องใหญ่รุนแรงเสื่อมเสียมากจะรับสั่งประโยคประเดี๋ยวฉันโกรธนะท่านั้นแล้วก็ต้องรีบทําอะไรแล้วะ นี่คือคือแสดงว่าแม้แต่จะแสดงโกรธเนี่ยแสดงโกรธออกมาท่านก็รู้สึกว่ามั น, ม, นมันทำไม่ได้ไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะสมนี่ก็คือเรื่องของสัตว์บุรุษแต่ทีนี้ประเด็นที่จะต้องจับก็คือสัตว์บุรุษสัตว์บุรุษนะฮะไม่ใช่สัตตะบุรุษถ้าสัตตะบุรุษเป่าคนเจ็ดคนไอ้ออกเสียงนี่ลําบากเหมือนกันฟังกันยาก เราคนส่วนมากเราจะพูดว่าสัตบุรุษสัตตะแปลว่าเจ็ดนะฮะแต่ว่าสาตัตบุรุษนั้นแปลว่าผู้ส ง, งบสันโตปุริโสสัพปุริโสนะบุรุษผู้ส ง, งบคําว่าบุรุษในในนี้ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงผู้ชายนะฮะเป็นคําใช้เรียกกลางกลางจะเป็นใครก็ตามที่เรียกว่าเป็นผู้ส ง, งบเราก็เรียกว่าสาตัตบุรุษาสาตัตบุรุษก็คือคนที่ไม่ส ง, งบ ความสงบก็อยู่ที่ไหนก็อีกแหละไม่ก็ไม่เกินแต่กายวาจาใจมันก็เท่านั้นแหละคนอะกายวาจาใจเท่านั้นเองแต่ว่าคุณลักษณะของสัตว์บุรุษท่านก็บอกว่าประกอบด้วยธรรมะที่นันชัยคัมภีรีว่าสัพปริสธรรมสัพปริสธรรมมีหลายชุดนะฮะแล้วชุดที่สําคัญมากก็คือชุดสัพปริสธรรม7ประการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสำคัญจริงๆนะคคืออัฐนยุตากัธรรมนยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุกับความเป็นผู้รู้จักผลนี่เป็นตัวการใหญ่ที่สุดเราให้ลองสังเกตว่าหลักธรรมในระพุทธศาสนาเอาก็จริงมุ่งพัฒนาสองจุดนี้แต่นั้นเองให้รู้จักเหตุรู้จักผลจุดสุดยอดของการปฏิบัติในระพุทธศาสนาและแม้การจัดสร้ของระพุทธเจ้าเองก็คือความรู้จักเหตุผลที่สมบูรณ ก็จากเหตุผลที่นนสมบูรณ์ก็ถึงจุดสุดยอดแล้วพระพุทธเจ้าสัตรุอริยสัจนะฮะท่านต่างหลายจะเห็นว่าอริยสัจนั้นก็คือเหตุผลที่สมบูรณ์ทุกนั้นคือผลที่สมบูรณ์สมุทัยก็คือเหตุที่สมบูรณ์นิโรธก็คือผลที่สมบูรณ์มรรคก็คือเหตุที่สมบูรณ์ไม่เป็นคนละเหตุคนละผลไม่คนเราฟาดอย่างที่ท่านปุณณะถามที่พระพุทธเจ้าทราางแสดงมารู้ทั้งสองภาครู้ทั้งสองฝั่ง ทุกษะศัพท์ไสยศัสตร์นั้นก็เป็นฝั่งของโลกียะนิโรธศัตร์เป็นฝั่งของโลกุตระมักนั้นเป็นตัวส่งเฉยๆนะฮะมักเป็นโลกียธรรมนะฮะเดียวมักมีองค์แปเป็นโลกียธรรมไม่ใช่โลกุตระธรรมนิโรธองเดียวแต่นั่นเองเป็นโลกุตระแต่ว่าการจะเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งต้องอาศัยมกักซึ่งเป็น การไก่พานะเป็นเรือเป็นแพสมพัยพระเจ้าตันอุปมาเป็นแพกับเป็นเรือสมัยนี้ก็คงเป็นเรือเป็นแพน่ะนะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของเรือของแพแต่ น, นั้นเองอาจจะเป็นแพขนาดยนตอะไรอะไรก็ว่าไปแต่สรุปก็เป็นแพเป็นเรืออยู่นั่นเองสมับขํามฝัง่งมาร์กจึงมีลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเหตุ ท, ที่สมบูรณ์นะคือมาร์กไม่ยอมแปประการ ก็ทำให้พระองค์เข้าถึงผลที่สมบูรณ์คือนิโรธสัตว์และจากเส้นทางสายนี้ไปเรื่อยๆเลยทุกจุดนะฮะจุดของการประพฤติปฏิบัติอย่างเมื่อวานเมื่อเมื่อคืนวานท่านจะได้ยินคำขวัญอะไรนะปีเยาวชนแห่งชาติยนะฮะยาวชนแห่งชาติก็เรียร่วมแรงแข่งขันช่วยการพัฒนาแสวงหาสันติ แต่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงแล้วเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของเหตุผลเราไม่จําเป็นจะต้องพูดมากมายขนาดนั้นก็ได้นะพูดมากมากความรู้สึกที่จริงจะเป็นเรื่องมากตัวการจริงๆก็คือร่วมกันพัฒนาการจะพัฒนานั้นต้องมีการร่วมแรงกันอย่างแข็งขันไอ้สไอ้แสวงหาสันตินั้นมันเกิดเองอะเกิดเองทําไปแล้วเกิดเองบอกเครื่องปรุงให้เสร็จแล้วปรุงไปแล้วมันเกิดเองแสวงหาสันติเป็นเป้าประสงค์เท่านั้นเอง สแสวงหาหรือไม่สแสวงหาถ้าเราร่วมกันเราพร้อมกันพัฒนาอย่างแข็งขันแล้วเนี่ยมันเกิดผลขึ้ น, นมาเองเป็นสันตินั่นก็คือกฎของเหตุผลแล ะ, ละการการมองในลักษณะที่เชื่อมโยงในทางเหตุผลนั้นเราเจะพบว่าพอเราจับไอ้ต้นตอมันได้แล้วเนี่ยอย่างอื่นมาเองอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่ท่านปุณกกะที่พูดตะครู่นีตัวการจริงๆมันอยู่ที่รู้นะพอรู้แล้วก็ไม่กระทาทุจริต มากระทำทุจริตจิตมันก็สงบพอสงบได้มันก็ข้ามพ้นชาตานามานาะได้เพราะงั้นเป็นผลหมดเป็นแถบไปเลยเป็นเรื่องการแสดงกฎของเหตุผลทั้งหมดเลยทีนี้ปัญหาสำคัญว่าการใช้เหตุผลคือรู้เหตุรู้ผลนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการศึกษาการสําเนียนการพินิษย์พิจารณาแล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือเรื่องของการเชื่อมโยง ซึงเป็นปัญหาใหญ่นะฮะว่าเชื่อมโยงโยงระวางเหตุคือวิเคราะห์เหตุแล้วก็คาดหมายผลประเมินผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำเ ห, เหตุเหล่านี้ได้หรือในบางครั้งบางคราวนั้นเราก็เจอเฉพาะผลแต่เรามองย้อนกลับไปหาเหตุได้เป็นการมองอย่างเป็นกระบวนรนะมองอย่างเป็นกระบวนมองอย่างเป็นระบบตามเส้นทางของแต่ละสายไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม การต่อไปก็คือรู้จักตนรู้จักฐานะของตนตนเป็นอะไรมีฐานะมีอาชีพมีขอบข่ายความรับผิดชอบอย่างไรจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงเหมาะสมเหมาะควรกับตนกับฐานะของตนกับขอบข่ายความรับผิดชอบของตนปัญหา น, นี้เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่กันจะเห็นว่าตามปกติแล้วคนเราไม่ค่อยจะรู้จักตนแล้วที่สําคัญก็คือว่าหลงตน เยวนี้เราต้องมีปัญหาอยู่ว่าคือคนมักคิดมักคิดว่าเราจะได้อะไรก็เราจะเป็นอะไรจะได้อะไรก็เราจะเป็นอะไรโดยโดยไม่ได้คำหนึงว่าที่จริงเรานั้นเป็นส่วนน้อยๆนะนั่เในสังคมยังมีสถานที่ราชการแห่งหนึ่งนะฮะระดับมหาวิทยาลายัยเขาบริจาคที่ตั้งสองพันกว่าไร่ให้สร้างขยายมหาวิทยาลัยออกไป ผู้อาจารย์ในนั้นไม่ยอมไปไม่ยอมรับไม่ยอมเอาบอกว่าขี้เกียจขับรถไกลคืนนี้แกเข้าใจว่าแกคือหมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยคือแกที่จริงแกมันจนจะกษียนแน่นะฮะพราก็สร้างหมหาวิทยาลัยได้ยังไม่ทันเปิดเรียนนะแกก็กระเสียนพอดีก็สร้างให้คนอื่นสร้างให้ลูกหลานที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปแต่ว่าเราเอาเราไปผูกพันไว้มากเกินไปทําอะไรถ้าเราคิดว่ากระตุกระเทือนต่อผลประโยชน์ของเราแล้วเราก็ไม่ยอมรับ จ า, การกระทำเหล่านั้นตทาง ท, างที่ถ้าเราหยุดคิดให้มีเหตุมีผลว่าเราเป็นใครเราเป็นเป็นเป็นผู้รับใช้หน่วยงานนี้หน่วยหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเราก็มีอายุจํากัดด้วยไม่ยี่ปีเราก็กเกษียณเราก็ต้องออกไปแต่ว่าชาติบ้านเมืองไม่ได้อยู่แค่นั้นไม่ได้ไม่ได้ไไดกเกษียณตามเราไปเรามีลูกหลานเกิดขึ้นมาและจํานวนคนเหล่านี้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะงั้นมหาวิทยาลัยต้องขยายออกขยายจะไกลหรือไม่ไกลก็ไม่ ไม่สำคัญเราเพราะว่าในขณะที่ไปอยู่ไกลไี่ทานนุนทางมันก็เริ่มขยายชุมชนก็ขยายออกไปเวลาถึงเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องใกล้นะเป็นเรื่องใกล้แล้วก็สะดวกสบายกว่าสถานที่ปัจจุบันก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของการหลงตัวบางครั้งบางคราวก็เดี๋ยวก็ไปหยุดไอความเจริญต่งตางๆเอาไว้เพราะปรารบตัวเป็นสาคัญ แต่ถ้าปรารบผลว่าจะทำอะไรนี่เราก็ตั้งปัญหาจะใหม่ว่าเราจะได้ทำอะไรและชาติศาสนาจะได้อะไรไม่ไม่หลงตัวเองหรือไม่เอาเอาตัวเองเข้าไปผูกพันกับไอ้สิ่งกระทำเหล่านั้นมากเกินไปเราจะทำอะไรได้แยะนะฮะและก็จิตใจเราจะสบายขึ้นโดยไม่ต้องไปคิดถึงผลตอบแทนเพราะเราไม่ได้มุ่งหวังผลหวังผลตอบแทนเพื่อเรามาตั้งแต่ต้น นี่ก็อาศัยการรู้จักตนแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้จักเหตุผลนะฮะความรู้จักเหตุผลต้องใช้ทุกจุดรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณความเหมาะความควรนะฮะความเหมาะความควรนี่ก็อะไรล่ะพวกประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยถ้าหากว่าท่านท่านนึกถึงคาไทยสคํานะฮะพอดีพอใจพอควรพอประมาณนะพอดีพอใจพอควรพอประมาณนี่คือหลักของสันโดษด้วยและหลักของ ความรู้จักประมาณประมาณคือพอเหมาะพอควรไม่ว่าอะไรก็ตามเอาแต่พอเหมาะพอควรแต่ว่าโดยเส้นทางเราจะเห็นว่าเส้นทางมันก็มีสามสายพระพุะทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ตอนต้นมาแล้วนะฮะพระธรรมเทศนาเนี่ยสแสดงโลกทั้งโลกเอาไว้ว่าตามปะกะติคนมันจะหักออกไปอย่างเงี้ยการเดินทางของคนเนี่ยไม่หย่อนกระตึงบางทีก็หย่อนเกินไปบางทีก็ตึงเกินไปนะฮะมันจะมีอยู่สองแนวเนี่ย แต่แนวที่เป็นกลางๆแนวที่พอประมาณพอดีพอควรนะฮะพอเหมาะพอสมเนี่ยไม่ค่อยเดินสายนี้เพราะงั้นแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมะเองพระพุทธเจ้าก็ให้มีประมาณไม่ใช่ว่าเอากันจริงจงจังๆไม่ยอมหลับยอมนอนนะฮะทรงตำหนิ ก, การกระทำอย่างนั้นของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรแรงแล้วไม่มีอะไรหย่อนไม่มีอะไรหย่อนเกินไปไม่มีอะไรที่ตึงเกินไป แม่แต่ศีลแต่วิในนะฮะเราลองดูว่าศีลปาณาติบาตไม่ใช่ว่าเอาปานากันหมดอ่ะแม้นก็ตายเลยทําอะไรไม่ได้จะเอาขนาดไหนล่ะเป็นปนาณาติบาตก็หนึ่งเราต้องรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสองอหนึ่งสัตว์นั้นต้องมีชีวิตนะฮะสองเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสตั้งจิตคิดจะฆ่าสีใช้ความพยายามฆ่าและห้าสัตว์ตายด้วยความพยายามจึงจะเป็นปนาณาติบาตนะ ไม่ใช่ไปเดินไปกลางคืนไปเหยียบมดตายก็เป็นปาณาติบาต์กันเออเกกาถูกยุงตายก็เป็นปาณาติบาต์อย่างนี้ก็ไมไม่ไม่ไหวแล้วมันปฏิบัติไม่ได้แต่เอาในจุดที่ปฏิบัติได้เอาเจตนาเอาความจงใจเข้าไปประกอบในเรื่องเนั้นแล้วพอเราจับหลักเกณฑ์ต่างๆได้เนี่ยก็จะวินิจฉัยการกระทาทั้งๆทั้งปวงได้เลยว่าถูกหรือผิดอย่างไงนี่เรียกว่ารู้จักประมาณคือความเหมาะความควร ประมวลในการประมาณในการรับนะประมาณในการใช้สอยประมาณในการบริจาคนะในการให้ก็สามอย่างนะฮะประมาณในการรับมันก็ต้องพอประมาณนะกันไม่จะอยากได้จนถึงกับเรื่องไ อ, ไอหารทองคำไม่ใช่หารที่ขนเป็นทองอยากได้จนเกินไปมันรับมากเกินไปแล้วประมาณในการใช้สอยก็ต้องรู้จักประมาณ ทำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปน้อยเกินไปก็เบียดเบียนตัวเองเป็นปู่โสมข้าวทรัพย์มากเกินไปก็เป็นตามน้าพริกตะลายแม่น้ําไม่ได้เรื่องอะไรทีนี้การบริจาค ก, ก็เป็นการต้องอยู่ในประมาณและอ ย, อ, ยอย่าลืมตัวสององค์เนี่ยธรรมะสององค์คือเหตุผลเนี่ยต้องใช้ทุกจุดของสัพพิริต ธ, ธรรมทุกจุดที่มีสัพพิริต ธ, ธรรมอยู่ตรงนั้นต้องมีเหตุผลทั้งหมดเลยแม้แต่การบริจาค ก, ก็ต้องรู้ประมาณ ถ้าเกินไปไม่ดีนะอย่าบริจาคอะไรให้มากเกินไปเพราะบริจาคแล้วเดือดร้อนเป็นทุกข์เสียใจยนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเรารู้จักการนะฮะการนี้ก็การทุกเรื่องนะฮะว่าจริงนะะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เ, เน้นที่การกระทาให้เหมาะสมแก่การนะั้นะเหล่านั้นนะฮะ เริ่มมาตั้งแต่ประกอบการงานศึกษาเล่าเรียนอะไรต่ออะไรให้สอดคล้องแก่การนั้ น, น, นประกอบธุระให้เหมาะแก่การ เ, ออเพราะถ้าหากว่าในชั้นของการดำรงชีวิตถ้าหากว่าคนปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปเวลาควรจะทำอย่างนั้นไม่กระทำแล้วในที่สุดไปนึกกระทำเมื่อหมดโอกาสที่จะกระทำก็คล้ายๆกับคนซึ่งเกเรสมัยเป็นนักเรียนนะฮะจะพบว่าเด็กเป็นจานวนมากเลย แล้วก็ท้าโศกเสียใจในการไปแล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าการที่แกควรจะเรียนแกไม่ยอมเรียนแล้วก็มานึกจะเรียนเมื่อเวลาที่มันหมดสมัยที่จะเรียนยังมีพวกบางคนไปทําดอกเตอร์อายุเกือบหกสิบเลยนึกกำกับว่าไปทำไปทำอะไรมปด้วยเป็นด็อกเตอร์แล้วก็เจาลงปิดทองให้หรือเปล่าก็ไม่รู้คือมันมันมันมันไม่ถูกแก่การนะเพราะการนั้นเป็นการที่เราจะต้องใช้เวลาชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มากนักนะครให้มันเป็นประโยชน์ให้มาก เพราะว่าการเรียนนั้นถ้าเราไม่ได้คิดเอาเสศษกระดาษเราก็ค้นคว้าเอาได้หาตำหนับตํานามาเรียนปัจจุบันนี้ครูผาจมาคมกับนักประสาทสอบถามสืบสวนค้นคว้าฟังเยอะแยะได้มากมายแก่กองตลอดถึงการในการประพฤติปฏิบัตนะิการประพฤติปฏิบัติที่ยังเคยเล่าถึงว่าท่านที่มองชีวิตในแง่ที่มันมันมันไม่แน่นอนนะ คือท่านเห็นความไม่แน่นอนจริงๆเราลองลองดูว่าแนวนี้พวกคนบา ร, รมีสูงท่านมองนะฮะบา ร, รมีสูงท่านท่านมองอย่างยกตัวอย่างว่าพระจักคุบาลหรือพระหมหากานท่านมองเนี่ยน้องชายบอกให้พี่ค่อยบวชเอบวตั้งแก่แก่นันบอกว่าฉันจะอยู่ถึงแก่บอกไม่รู้ไอ้ตอนแก่เนี่ยมันมือเท้าของเราเองเรายังบังคับไม่ได้เราจะประพฤติปฏิบัติความดีได้ยงไงอนั้นเขาเรียกว่าคนมีบา ร, รมีสูงเ้ามองโลกเ้ามองการอย่างนั้นนะฮะ มองเห็นว่าความไม่แน่นอนมันเกิดดับเกิดดับแล้วมันดับโดยไม่เกิดตรงไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าชีวิตเรานะมันมีการเกิดดับแต่มันก็ไหลแบบกระแสน้ำกระแสไฟถ้ามันดับปับ๊บจริงๆโดยไม่มีการไหลต่อมาชีวิตก็แตกดับท่านก็ต้องรีบใช้การหรือว่าคนอย่างพระพายยะธุจิริยะอย่างที่นานและเคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าท่านท่านท่านเดินทางจากท่า เรือซึ่งไกลมากเลยนะแล้วก็พักทั้งเดียวทั้งเดินทั้งวิ่งนะร่วมพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งเดินทั้งวิ่งพุ่งเข้ามาที่พระเจ้ตวันรว่วพระุทธเจ้าเสด็จออกบินตบัดวิ่งตามมาวิ่งตามอีกขอพระพุทธเจ้าเทศโปรดพอเห็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านก็ปีติท่วม้นจิตใจเลยขอเทศโปรดพระพุทธเจ้าบอกกําลังบินตบาตแล้วพระเจ้าก่นอนบอกไม่ได้อ่ะ มันมั น, ม, นมันรู้รู้ไม่ได้ว่าชีวิตนี่จะอยู่ถึงนั่นหรือเปล่าคือประกันไม่ได้ว่าพระองค์จะนิพพานแตก่อนหรือว่าข้าพระองค์จะตายแตก่อนเพระาะอันถึงเวลาแล้วต้องเทศเลยแต่ เ, เลยก็บีบบังคบับพระพุทธเจ้าเท่กลางๆถนนนะฮะพระพุทธเจ้าก็ต้องเทศให้ท่านพอเสร็จแล้วท่านก็ บ, บรรลุเป็นพระนาคามีนะฮะเป็นบรรลุเป็นพระนาคามีบุคคลแล้วไปแสวงหาจีวรก็ถูกโคคิดตาย ไม่ทันได้บวชนะฮะแต่ก็จัดเป็นพระนะฮะจัดเป็นพระไม่ใช่เป็นพระอารหารหรือไปเป็นพระอารหารเลยเออนี่เราจะเห็นว่ามองการอย่างคนมีบารมีเกินมีบารมีเขามองแล้วแหมรู้สึกว่าท่านท่านท่านเห็นการนี่มันสำคัญได้ยังต้องเอารีบเร่งเอาด่วนๆเลยตัดสินใจอะไรจะทา ป, ปฏิบัติตความดีต้องเอาทันทีเลยนั่นคือมองจุดสูงสุด แล้วคนเหล่านี้เรามองไปดูว่าพ้นทุธายท่านบรรลุมรรคผลหมดเลยตัวมองการแนวนี้นะฮะแต่ว่าคนเราตามปกติไม่เป็นไรนะะเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนนะไว้วันนั่งไว้วันนั่เจ้านัหิวนักกระหายนักอย่งยงางเช้าอยู่เย็นแล้วะนะนี่คือมองแบบคนประมาทคนประมาทจะปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปเรื่อย แต่พอถึงระดับสูงสุดเราจะเห็นว่ามองผิดกันเยอะนะคนกับคนน่ะคนต่อคนด้วยกันมองจากสายตาของอาศัตบุรุษก็มองสบายสบายยังไงที่พระเจ้าทรงแสดงว่าอาบายมุกนั้นคือมองโดยสายตาของอาศัตบุรุษยังเชา้าอยู่หิวนักกระหายนักเจ็นแล้วปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ก็ว่ า, ากันไปได้่อยๆนะตอนนี้ยังระยะปีใหม่อะไรต่ออะไรเนี่ย พักผ่อนไปก่อนไม่เป็นไรนะคใครทําวันหลังนั้นคือมองด้วยสายตาของสัตว์ปรุษแต่ของสัตว์ประหท่านมองนัน่นโดยยิงมองการเนี่ยถ้าให้ความสําคัญแก่ ก, การจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าใครก็ตามเราแม้แต่เราดูว่าพระพระพายะไอ้ไม่ใช่พระสุพัท ธ, ธะที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนยานิพานเนี่ยก่อนยานิพานนิดเดียวจำเองท่านขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องให้เข้าเฝ้า เพราะว่าโอกาสที่ท่านจะพบพระพุทธเจ้าเนีมีไม่ได้โอกาสที่ท่านจะฟังธรรมจากพระโอรสจริงๆไม่ได้เพราะงั้นนิดเดียวก็ขอขอเ ข, อ ข, อขอ้าพระแล้วก็ในที่สุดท้ากบัรู้มากผลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงว่าพื้นอัตยาสัยของท่านที่บรณุุผลในท่านมองโลกผิดกับเรามองอะท่านเห็นโลกผิดกับที่เราเห็นท่านมองผิดกับที่เรามองมอย่างกระดุมพีคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้านํามาเล่า ไปวัดไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแม่ยายมาเยี่ยมที่บ้านแม่ยายถามลูกสาวนะฮะว่าเป็นไงสามีของแกเป็นไงบอกโอ๊ยดีเหลือเกินนะแม่แม้แต่คนที่บวชมายังสู้พี่หนูไม่ได้เลยนะไ อ, ไ, อไอ่แม่ยายหูตึงหูตึงได้ยินคํำมาบวชเดี๋ยวชัดอะไรตัวพ่อแกไปบวชแล้วทําไมต้องบวชเอ๊อะลั่นนะคนข้างบ้านได้ยินนะ เรื่องเขากลือไปเอ๊เศรษฐีที่ิบาทนี้บวชแล้วทําไมต้องบวชหรอว่าเห็นกันอยู่เมื่อวานเนี่ยนะเพื่อนก็เพื่อนก็วิ่งหาบอดีแกก็ไปเฝ้าเราก็ตะเจ้าอยู่พอกลับมาเพื่อนก็ไปเจออ้าวนี่เขาลือกันทางบ้านว่าคุณบวชเสรแล้วเนี่ยลูกเต้าร้องห่มร้องไห้กันแกบอกอ๋อนี่เราไม่บวชดลเพื่อนลือว่าบวชเลยคานี้เป็นมงคลแล้วกลับเลยกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอบวชก็บวชเลยยังไงไงก็กระลือว่าบวชแล้วแล้วก็ลูกลูกก็ร้องห่มร้องไห้ไปแล้วก็บวชเสร็จเลย แล้วก็ท่านบนรรลุมรคนนะฮะดูสิคือความคิดแปลกมากเลยเนี่ยคนระดับพระอาหารหันต์ท่านคิดนีงคิดท่านคิดแปลกๆอะ่ะเรื่องไม่น่าคิดเขาลืออย่างนั้นบางคนอาจจะโกรธนะบางคนอาจจะโกรธแต่ว่าท่านโอ้ยคำนี่มันเป็นมงคลคํานี้เป็นมงคลจึงแม้ขนาดเราไม่บวชเนี่ยเพื่อนก็ลือว่าบวชญาติพี่น้องก็ร้องหอบร้องให้ว่าเราองบวชแล้วบวชออกจากวัดมาหน่อยเดียวกลับไปพระเจ้าถามอา้าวทำไมกลับม า, าอีกท่านก็เล่าฟังแล้วขอบวช บําเพ็ญเพียนไม่กี่วันมันรู้มากคนนั่นคือเราลองดูว่าคนโลกัาตุของของคนระดับพระอาหารหันต์เนี่ยท่านมองแปลกมากก็รู้จักการรู้จักกลุ่มคนนะกลุ่มคนที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้คล้อยตามให้เหมาะสมแก่ฐานะของบุคคลและรู้จักคนที่ควรครบและไม่ควรครบอันนี้เป็นสูตรเลยนะฮะคออือยังยังมองการว่าสังคมไทยเนี่ยหรือสังคมไหนก็ตามถ้าเราจะ ตั้งสูตรขึ้นมาพัฒนาเจดข้อเนี่ยให้รู้เรื่องเจ็ดเรื่องนี้พอแล้วเอาอย่างเงี้ยสั บ, บริษฐธรรมเจประการเนี่ยเอาตรงนี้แหละเอาให้ได้เลยพอแล้วนะฮะที่จริงเพราะว่าทางเจดข้อเนี่ยมีจุดหมายปลายทางถึงสูงสุดอย่างที่บอกมาแล้วว่าแม้แต่การรู้วริยศัจสี่ก็คือเรื่องของเหตุผลก็เข้าจุดสุดยอดได้ แต่ต้องนทำทากันเป็นระบบจริงๆเน้นกันในเรื่องนี้จริงๆทีนี้เราจะเห็นว่าการกระทาความดีทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องการทวนกระแสเราจะกำหนดว่ายากหรือง่ายมันก็ไม่เคยเชิงเท่าไรก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนทำเท่านั้นเองนะฮะท่านทั้งหลายสามารถนั่งปฏิบัติกรรมฐ า, านไหวพระสวดมนต์ความบรรยายพระสูตได้ทั้งสรุปแล้วสองชั่วโมงกว่านะฮะก็ยังไม่รู้สึกหนักหนาสาหัสหอะไร แต่ว่าคนบางคนถ้าเอามานั่งอย่างนี้นะฮะแม้ฟังเทศสักครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีเนี่ยยังบางแห่งนะที่บางแห่งนะนี่บนพระประเทศและสกิลด้วยนะเอาสิบห้านาทีพอยี่สิบาที่พอนี่บนมาทำไมาด้่ยสิบห้านาทีพอยี่สิบนาทีพออะคือคือแสดงต้องการแสดงลาฉันเป็นคนฟังเทศแต่ว่าภายในใจจริงๆในขี้เกียจจังเลย ฟังคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องหนักหนาได้เกินมีมีเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วโดยเฉพาะในในวงราชการนะของราชการบางแข่งแล้วไม่ใช่ตัวข้าราชการเองนะตัวพิธีกรในราชการนะมากระซิบ <c oughs> นะแล้วไม่ต้องเทศมากแล้วทั้งยี่สิบนาทีก็พอแล้ว <c oughs> คือแกจะได้รีบกลับอ่ะ <c oughs> แก ร, กรีบกลับแต่นั้นเดงรู้สึกว่ามันหนักหนาเหลือเกินที่ต้องมาเป็นพิธีกรในการเทศนี่แสดงว่า กลายเป็นเรื่องยากสำหรับคนเหล่านั้นทีนี้สำหรับคนซึ่งเขามั่นคงในเรื่องนี้ครับ ก, ก็สามารถจะฟังเทศอย่างพระบางองค์วันก่อ น, นมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาเล่าว่าอาจารย์อะไรต่างเชียงใหม่ทั้งเทศตั้งแต่สองสอทุ่มถึงตีสองเทศตั้งสองทุ่มถึงตีสองโยมก็ฟังกันได้สบ า, ายแต่ถ้าคนอื่นไปฟังนะฮะตอนนี้ก็เหลือแต่สาว เรียบร้อยเลยโยมกลับหมดนี่ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับกลุ่มไหน อ, อความยากความง่ายจึงไม่ได้อยู่ที่องค์ธรรมนะฮะแต่ว่าอยู่ที่คนผูก้กระทําสิ่งนั้นบางคนแม้แต่จะพูดคําไพโรธสักคำก็ยากเย็นแสนขืนนึกเกินจะไหว้คนสักทีก็รู้สึกสาหาัสาจการจับมือแล้วจับมืออีกเลยนะฮะแม้แต่เด็กๆนะฮะเราลองดูสิฮะเด็กๆบางคนให้ไหว้ใครสักทีนี่มาโอ้โหมันดึงดันกันเหลือเกินะ แต่บางคนเนี่ยพอไหว้ไหว้ทันทีเลยนี่แสดงถึงพื้นอัจาริตอัตยาศัยของเด็กเหล่านั้นแตกต่างกันทีนี้ต่อไปก็ทรงแสดงถึงผลกระทบนะฮะผลกระทบจากการกระทําของสัตว์บุรุษกับอสัตว์บรุษพูดง่ายว่าคนดีกับคนคนไม่ดีนะฮะที่สําคัญอย่างยิ่งคือหน้าคิดถึงถ้อยคํานะฮะท่านจะเห็นว่าอสัตว์บรุษแปลว่าคนไม่สงบ บุ่นวายจุนจา่านุ่งยากนะสัตว์บุรุษก็คือสงบสงบสงเวยมเรียบร้อยไม่เคยเดือดร้อนอะไรใคร ๆ, ๆแม้แต่ว่าถ้ำกลางคนไม่สงบท่านก็สงบได้แต่สัตว์ุรุษนี่คนก็สงบแล้วทำไมไม่สงบจดได้เหมือนกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตใจมันมีความหยาบหรือความกระด้างมากน้อยแค่ไหนเพียงใดชงแสดงผล ว่าอาสันโตนิระยังเนติสันโตสักะปาราณาอาสันโตนิยังเนติก็คืออสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรกการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของอสัตบุรุษหรือธรรมของอสัตบุรุษนั้นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นผลเรายกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดนะฮะว่าก็มีจอมมีจอมปลาดะะจอมสัตวบุรุษกับจอมอสัตบุรุษอยู่ ในศาสนาเดียวกันนะคือพระพุทธเจ้ากับเทวทัตก็อยู่คนเราฟากันพระเทวทัตท่านก็นําหน้าไปก่อนนะฮะตกนรกไปก่อนเรียบร้อยก็ลูกน้องบริษทัทบริวารของท่านทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นคราวาสเป็นร้อยๆนะฮะเป็นร้อยๆเลยมันมันมันเป็นเรื่องแปลกว่าโลกนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามจะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งไปยอมรับ เป็นยอมยอมรับให้คนเหล่านี้สร้างฐานศรัทธาความเชื่อของคนขึ้นมาได้อย่างอะไรที่วันก่อนอะไรจิมโจนอะไรที่ว่าเอาคนไปกินยาพิษตายตั้งเจ็ด0 0รอคนยังมีคนนับถือได้อรหรือมันมันก็แปลกกับโลกเนี่ยไม่ว่าใครจะทำเพี้ยนเพียนอะไรออกมาอย่างไงก็ตามจะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไอ้มาตฐานเดียวกันนะฮะจะเข้าไปเกาะกลุ่มกับบุคคลล่านั้น แล้วก็ให้การสนับสนุนยกจ้องชื่นชมต่อการกระทำเรนะแล้วก็ปกป้องด้วยนะฮะปกป้องไม่ให้คนอื่นมาห้ามปรามมาชี้แจงให้เหตุให้ผลอะไรแล้วก็โลกมันก็เป็นอย่างนี้กันมาเรื่อยๆแม้ในปัจจุบันเนะี่ยจากเรามองจากจุดของการใช่เหตุผลว่าการกระทำบางอย่างพฤติกรรมเป็นนั้นมากของคนเนี่ยนั้นสร้างความเดือดร้อนโดยส่วนเดียว แต่ว่าคนนั้นก็มีคนสนับสนุนยกย่องมีบริษัทบริบาลอย่างพระเทวทัตเนี่ยเรามองไม่รู้ไม่ว่าจะมองในจุดใดนะฮะไม่ว่าจะมองในจุดใดก็ตามท่านก็ทําไม่ถูกอ่ะท่านก็ทําไม่ถูกเลยสักอย่างหนึ่งแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าถูกชื่นชมกับการกระทําของท่านสนับสนุนการ ก, การะทำของท่านและในที่สุดก็ชฉวงกัตนตกนรกส่วนสัตว์บุรุษหรือคนดีก็นําไปสู่สุคติเราก็ไม่ต้องเอาถึงขนาดพระพุทธเจ้านะฮะ เวจร์นะของแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าแม้แต่คนสามัญธรรมดาทั่วไปคอยชี้แจงบอกกล่าวให้เหตุให้ผลกันก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ให้ได้รับความสุขในปัจจุบันแล้วก็บังเกิดในสุกติในโอกาสต่อไปเพราะการครบหาสมาคมการครบหาสมาคมกับบุคคลนั้ น, น, นเป็นเหตุดังนั้นในหลักของ พระพุทธศาสนาเวลาพูดถึงเริ่มมงคลชีวิตนะฮะเราก็มองย้อนกลับไปที่มงคลชีวิตซึ่งถือว่าเป็นระบบพัฒนาค น, น่พระเจ้าก็เริ่มที่ตรงนี้แหละก็คนพาลแม่คบคนพาลก็คือแม่คบสัตว์บุษนั่นเองไอ้คบบัณฑิตก็คือคบกษัตริย์บุตรนั่นเองแล้วก็เดินมาได้เดินมาได้ตลอดพราอุดมมงคลจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็อยู่ที่จุดเริ่มต้นการเดินทางของคน ว่าถ้าเขาเริ่มต้นที่คบคนผ่านนะฮะมงคลเหล่านั้นไม่ตามมาเลยแต่มันจะพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งเป็นอัปมงคลหมดเลยแต่ถ้าเขาเริ่มต้นที่คบหากระบัณฑิตหลีกเว้นไม่คบหาคนผ่านเขาก็เดินไปได้เหมือนเส้นทางสายที่จะเป็นอุดมมงคลขึ้นไปโดยลําดับแต่ว่าส่วนจะขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานในอดีตกับปัจจัยสนับสนุนในปัจจุบันทั้งสองอย่างต้องประสานสะพานกัน แม้จะเราเราจะมีปัจจุบันอย่างเดียวโดยไม่มีอดีตเข้ามาช่วยอะไรเลยเนี่ยก็คงจะยากนะฮะเราถ้าถ้าเรามองวิเคราะห์ถึงการกระทําของบุคคลยกตัวอย่างว่าการจัดธุรกิจสมมติระมูอบ้านจัดสรรของคนนะฮะก็ลงทุนมาเริ่มเริ่มกันแล้วคนหนึ่งเจ๊งคนหนึ่งรวยต่างๆที่ไอสติปัญญาใดต่อไรอะไ ร, ระบบมันก็คือคือกันนี่แสดงว่าปัจจัยอดีตไม่หนุน ถึงแม้จะใช้ความพยายามในปัจจุบันมันก็มีอุปสรรค ข, ขัดขวางตัดรอนอยู่เรื่อยๆในสุดก็กเดินไม่ได้าะงั้นความเจริญก้าวหน้าของคนเราต้องต้องอาศัยเหตุสองประการอยู่เสมอว่าปัจจัยในอดีตจะต้องหนุนแล้วก็ปัจจัยในปัจจุบันจะต้องสร้างขึ้นออซึ่งตามกฎของกรรมก็อะไรคือคติสถฐานที่เราบัตรหรือสะกูลที่เราเกิด วัยวะสุขภาพพรานาไม้ร่างกายของคนแล้วก็ยุคสมัยกับการกระทําการกระทําในปัจจุบันของบุคคลจะต้องเกื้อกูลกันพราะในการที่เราเกิดมาในตระ ก, กูลดีก็ดีนะฮะเราเกิดมามีสุขภาพพรานามัยดีก็ดีอันนั้นถือว่าเป็นผลจากอดีตเป็นภูเพกะตะบุญยตาที่บุญในอดีตได้ส่งให้เรามาอุบัติมารเกิดอย่างนั้น แต่ในขณะเดียวกันถ้าจะอาศัยเฉพาะตรงนี้เท่านั้นเราไม่ใช่ปัจจุบันให้เป็นประโยชน์มันก็อยู่ประเภทสว่างมามืดไปในบุคคลสี่ประเภทที่ทรงแสดงไว้มันเป็นประเภทสว่างมามืดไปถ้าหากว่าคติพบคือสกุลอะไรอะไรที่เราเกิดก็ดีสุขภาพพรานาไมยท้งกายทั้งจิตของเราก็ดีแล้วก็ประกอบเหตุในปัจจุบันดี ก็กลายเป็นประเภทที่เรียกว่าสว่างมาสว่างไปคือมันจะยุติสอดคล้องกันหมดทุกจุดที่ ท, ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งก็หมายความว่าสุคติที่บุคคลจะสุคติแปลว่าไปดีนะครสุคติแปลว่าไปดีทุคติแปลว่าไปทุกแปลว่าชั่วยากลําบากเดือดร้อนอเพราะฉนั้นทุคติก็ว่าไปชั่วไปยากไปลําบากไปเดือดร้อนอซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงมันมันก็มีตั้งแต่เริ่มทำํำ มีตั้งแต่เริ่มทำไปแล้วแล้วก็บนเส้นทางสายนี้ถ้าหากว่าบุคคลไม่เปลี่ยนแปลงเวลาตายไปก็ไปบังเกิดในสุคติไปทุกติจริงๆตามที่ทรงแสดงเอาไว้แต่ข้อสาคัญว่าอย่าลืมว่าทั้งสุคติและทุกตินั้นเราสัมผัสในปัจจุบันอยู่แล้วนะฮะอันเกิดขึ้นจากการกระทาในปัจจุบันด้วยในอดีตด้วยแต่ว่า บางที่อดีตเราก็โยงไม่ได้ก็เอาเฉพาะปัจจุบันให้เห็นซึ่อก็ทหากว่าบุคคลมีความเป็นสัตว์บุรุษใช้เหตุใช้ผลในการดรํารงชีวิตและพยายามสิ่งที่พยายามให้ในสิ่งที่คนอื่นเขาให้โดยยากพยายามกระทาในสิ่งที่คนทั่วไปก็ทําได้ยากมันก็ชื่อว่าเป็นการก้าวสู่เส้นทางของสัตว์บุรุษแต่ทีนี้ประเด็นที่สําคัญว่าหลักการนะฮะหลักการที่ยุติ ระหว่างดีชั่วสุขทุกข์อะไรอะไรนะครับจะเดิญก้าวหน้าเสริมสร้างมันก็คือคือกันนะครับในสมัยอดีตเคยเป็นอย่างไรในปัจจุบันก็เป็นอย่า ง, ง, น, งนั้นดะงั้นเรื่องนี้แทนที่พระพุทธเจ้าจะรับสั่งด้วยพระองค์เองนะจะรับสั่งด้วยพระองค์เองพระองค์ก็รับสั่งว่าโบราณบัณฑิตนะฮะโบราณบัณฑิตท่านก็ได้เคยแสดงเรื่องเหล่านี้เอาไว้ เพราะอะไรการยกเรื่องราวของโบราณบัรดิตนั้นเราก็มองเห็นได้หลายเรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือว่าทางแห่งความเสื่มความเจริญก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ก่อนแล้วประการที่สองนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาและความบริสุทธิ์พระไทยของพระพุทธเจ้าที่พร้อมจะยกย่องเชิดชูคนอิฐคือคนในอดีตแต่ว่าเขากราบถูกกล่าวต้องเอ เหมาะควรยุติด้วยเหตุผลความดีรูปศา ส, สนาก็ไม่ได้ปฏิเสธใครประการที่สมก็คือผลเราดันมันเกิดเกิดขึ้นแล้วออกมาสู่พฤติกรรมและปรากฏผลแล้วเป็นความสุขเป็นความทุกข์ในชาตินั้นๆแล้วแล้วก็เป็นสุขติเป็นทุกขติหลังจากนั้นแล้วซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ก็กลายเป็นตัวอย่างที่สําเร็จคือสำเร็จรูปเมื่อใครเข้าไปในขอบข่ายของการกระทํทาทั้งด้านดีและด้านไม่ดี อย่างที่โบราณทั้งกระทำไว้ผลก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างเดียวกันทีนี้อีกประการหนึ่งนั้นคือการสรุปชาดก <c oughs> สรุปชาดกเราจะเห็นถึงความเกี่ยวข้องผูกพันจะมายังนึกๆทีนี้ไปประวัติของพระเทรีคือคนสำคัญในสมัยบุตการ์มีอยู่เจ็ดท่าน เจ็ดท่านที่เป็นผู้หญิงล้วนนะฮะเป็นผู้หญิงล้วนพวกนางวิสาขาพวกนางกบวนวานาพวกพัฒากัจจานาพวกนี้ฮะพระธรรมจินนาเนี่ยคือคือคือประวัติในชาติอดีตเนี่ยพวกนี้แปลกสร้างบา ร, รมีมาเป็นบางทีก็เป็นพี่เป็นน้องกันเลยพี่เป็นน้องกันในชาติแล้วก็สร้างบา ร, รมีกันมาเรื่อยๆเรื่อ ย, เอยๆเลยแล้วพอมาถึงพุทธกาลเนี่ยออกบวชหมดเลยออกบวชหมดเลยแต่ว่าคนที่ได้มรผลน้อยกว่าเพื่อนนะ คือนางวิสาขาส่วนพวกพี่สาวซึ่งในชาติก่อนๆ น, นะพี่สาวในะชาติก่อนก็นกเป็นเป็นพระอาตหารกันหมดเลยนี่แสดงถึงว่าไอบุญที่บุคคลกระทำมาในสัดส่วนที่ที่เสริมกันนะฮะคือคือใกล้เคียงกันในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันทำให้คนมาเกิดร่วมกันโดยอานาจของภูเพกะตะปุญญาตาคือบุญที่ทำไว้ในการก่อน เออพราะนั้นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราก็มองมองกลับไปที่พุทธบริษัทของพระเทวทัติอีกมันก็คือพวกเดียวกันคือว่าสายพระเทวทัตจริงๆก็เกาะกลุ่มกันมาเกาะกลุ่มกันมาแล้วก็ชื่นชมยินดีกันมาสมัยพระญาเนื้ออีโครดพระญาเนื้อสาขาอะไรที่ทงเล่าเนะีฮะมันก็สายนั้นนะะแล้วเขาชื่นชมในในหัวหน้าของเขาพวกนี้ก็เกาะกลุ่มกันมาคนละสายแค่กัมานคนละแถว แต่พระพุทธเจ้าเก็มากันแถวหนึ่งแต่พระเทวทัตก็มากันแถวหนึ่งแล้วก็มันมีบุญบางอย่างนะมีบุญบางประการที่พวกนั้นไม่ได้ทําบาปอะไรเสมอไปนะก็ทําให้เข้ามาเกิดพบกันได้แต่ว่าส่วนลึกที่เป็นฝังอยู่ในจิตสันดานนั้นคือความไม่เป็นมิตรยังมีอยู่ทีนี้ท่านเหล่านี้เราจะพบว่าพอสรุปชาดกเนี่ยพวกคณะฤาษี คณะฤๅษีที่เป็นลูกศิษย์นั้นก็มากลายเป็นผู้ตบริษัทในทิศนี้ซึงก็หมายความว่าเป็นทั้งอุบาสิกสูตรพิสุณีอุาบาสกปติการนะครเพราะว่าฤๅษีท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติเท่ากันแม้จะท่านบวชแม้ท่านจะบวชเป็นฤๅษีเหมือนกันแต่ท่านปฏิบัติผลไม่ได้เท่ากันแต่ก็ด้วยบุญกุศลเหล่านั้นก็ทําให้มาเกิดร่วมของพุทธเจา้าส่วนท่านท่านเหล่านั้นพ่อค้าสองคนสมัยก่อนคือเศรษฐีสองคน ก็มาเกิดเป็นเศรษฐีอีกสองคนนี้ซึ่งลักษณะเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าก็คล้ายๆกับเรื่องเปรตพระเจ้าพิมพิสารเปรตพระเจ้าพิมพิสารที่ก็มากันเป็นสายเป็นสายกันมานะีพวกสายพระเจ้าพิมพิสารก็มาสายหนึ่งสายท่านวิสาขาเอกบาศกก็มาสายหนึ่งแล้วก็สายพวกเปรตก็มาอีกสายหนึ่งก็ด้วยกรรมในในภพชาตินั้นก็ส่งกันมาแล้วก็จําแนกตัวเองกันมาตลอดเลยมีความประนีต บ้างมีความหยาบกระด้บ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าใครไปทำอะไรไว้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของสังสารวัฏซึ่งแสดงเห็นว่ า, าการกระทําบุญในลักษณะนี้แล้วเรามองย้อนกลับมาที่ที่ในปัจจุบันที่เรารู้สึกขัดแย้งกันมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งขึ้นในการให้ทานในการให้ทานนั้นถ้าเราเข้าใจในเชิงเหตุผลแล้วเนะะี่ยเราจะทาใจสบายได้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ขุนข้องมองใจ โดยเฉพาะยิ่งๆก็เวลามีการชชักชวนเชิญชวนนะฮะคือการชักชวนเชิญชวนนั้นเป็นวิธีอย่างหนึ่งคือเ้าต้องการชวนให้ะทาําความดีเขามีเจตนาดีอ่ะก็ไม่เจตนาดีต้องการบอกบุญนะฮะบอกบุญคือเราเขาเขาบอกแล้วเราเราไม่ยอมรับก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ยังไปทําบาวยังไปด่าก็แล้วกันอ่ะก็นนะอบอกบุญเราให้บาปของมันก็เกินไปนะฮะคือทําใจสงบสงบเสบียอย่างน้อยก็ คือชมยินดีอนุโมทนานะแต่ตอนนี้เงินไม่พร้อมก็ทำใจอนุโมทนาไปมันสบายสบายแล้วเพื่อนบอกบุญเ้วไปด่าเขามั น, ม, นมันก็ได้อะไร <c oughs> คือคื อ, ค, อคือแทนที่เราจะได้บุญเพิ่มขึ้นกลับทำบาปเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นเป็นหลักที่ต้องการจะให้คนได้เกิดร่วมกันวิวิธีหนึ่งนะฮะพระพุทธเจ้าทรงทร ง, ทรงแสดงเอาไว้ว่า การทำบุญนะฮะถ้าเราบอกบุญคนอื mereka, <t éc u ifer> ่นด้วยเนี่ยเราได้ทั้งโภกสมบัติทั้งบริวารสมบัติแต่ถ้าเราบอกบุญคนอื่นอย่างเดียวนะตัวเองไม่ทำเราได้บริวารสมบัตินะฮะแต่ว่าเราไม่ได้โภกกสมบัติทีนี้ถ้าเราทำคนเดียวโดยไม่ชวนคนอื่นเราจะได้พวกสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติทีนี้ถ้าถ้าทั้งทำเองทั้งชวนคนอื่นมันก็ได้สองอย่างได้ทั้งโภกสมบัติทั้งบริวารสมบัติคนเราก็ไม่ต้องการจะเกิดอยู่คนเดียวอะ เต้องการจะมีพักพวกเพื่อนพ้องเขาก็แสดงว่าเขาแสดงความเป็นมิตรไม่เจนะฮะชักชวนเชนิญ ช, ชวนในการกระทําบุญนี่ก็เป็นหลักประการหนึ่งว่าที่จริงการปฏิบัติเหล่านั้นเป็นการปฏิบัติตามแนวของสัตว์ปรุษทั้งหลายซึ่งคนเราอย่างน้อยที่สุด ก, ก็ควรแสดงน้ําใจของสัตว์บุรุษออกมาถ้าไม่ทําอะไรก็อย่าถึงก็แสดงความเป็นอัดสัตว์บุรุษออกมาก็แล้วกันเพราะมันเพิ่มบ่าวตัวไม่เกิดประโยชน์อะไร วันนี้ก็ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุ์ในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอ